ชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสันสนีสนทนา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 เช้ า, ชานี้เราก็มาทำความเพียรปฏิบัติธรรมในการนั่งสมาธิกันต่อแล้วก็บทสงทนนี้ก็จะให้ฟังพระสูตรที่เกี่ยวกับการปฏริบัติแล้วก็ให้เราได้จดจาในจําพระสูตรของบุยเจ้าไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนเกี่ยวกับการเจริญอาณาปา น, นสติดยการมีสติ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 พระมาชาควโรไว้นะโอากาสนี้ค่ะแอนชารินพอสัญหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึง้งซึ่งปัญญาในสัสนีสนทนาพื่อนฟังที่เคารพค่ะรายการสัสนีสนทนาก็ยังคงอยู่กันที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว f อฟเแห่งนี้นะคะซึ่งในช่วงถามโลกตอบธรรมแต่เดิม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 ได้ยินไม่เอยใช่ไหมัได้ยินแล้วคะ่ะนะคะท่านอาจารย์คะอ่าวันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงของควันหลงปีใหม่แหละอ่ามีบทความของราชบัณฑิตของประเทศไทยนะคะคืออาจารย์สเสถียนพงศ์วรรณปกความจริงแล้วท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพระพุทธศาสน า, าเป็นอย่างยิ่ง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 หน้าอิจชา้าและท่านก็เลย ม, มาถึงตอนท้ายบอกว่ายิ้มเข้าไว้เนี่ยเป็นประหัสแห่งความสุขประจบ ก, กับการที่ท่านได้ไปอ่านหนังสือชื่อสุขกายสุขใจในสังคมที่วุ่นวายเขียนโดยธรรมะปาโมดนะคะบอกว่าถ้าใครเป็นคนที่ยิ้มยากเสื่อยิ้มยากมีสีวิธีที่จะช่วยให้ยิ้มง่ายคือเวลาเจอหน้ากับเพื่อนฝูงให้คุยเรื่องสนุก จะได้มีโอกาสยิ้มหัวเราะอันนี้เป็นประการที่หนึ่งถ <Okay. S 1> ัดมาก็ให้หารูปหาวิดีโอหาสื่อต่างๆที่สนุกเก็บไว้เวลาที่มันยิ้มไม่ออกเอาขึ้นมาดูอย่างที่สามบอกให้ฝึกยิ้มบ่อยๆยิ้มบ่อยเท่าไรปัญหาหนักแค่ไหนร่างกายจะมีพลังมากขึ้นเท่านั้นและจะได้พบว่า mm hmm. การยิ้มคือพลัง mm hmm. ประการสุดท้ายก่อนก้าวออกจากบ้านให้ยิ้มไว้ก่อน ตอนช่วงแรกอาจต้องใช้ความพยายามแต่นานไปจะรู้ว่ายิ้มเนี่ยกลายเป็นเรื่องของธรรมชาติอันนี้ท่านว่าไว้อย่างนี้ค่ะ<น>ยิ้มในทางพระพุทธศาสนาเราพระพุทธองค์มีตรัสไว้ถึงบ้าไหมคะพระเจ้าก็ให้ยิ้มด้วยใจแต่วพระเจ้า่พูดถึงเรื่องการยิ้มด้วยใจไว้อย่างไรคือการมีการแผ่มเมตตาด้วยจิตนั่นเอง ค, คือการที่เราจะต้องไปหาเรื่องสนุกสนานมาทำให้เรายิ้มเนี่ย ผู้ลงบอกว่ายังเป็นการที่ยิ้มอย่างมีเครื่องลอ่อ <c oughs> คือต้องอาศัยอุปกรณ์ในการช่วย <c oughs> ใช่ไหมฉะนี้ว่าแล้ววิธีที่พรุทธเจ้าสอนในการยิ้มจากในภายในจากข้างในเนี่ยมีวิธีการอย่างไร <c oughs> คือเรื่องเนี้พระพุทธเจ้าใช้คำธร <c oughs> รมะที่จะพูดถึงต่อไปเนี้ยชื่อว่าอัปปันนกาธรรมคือธรรมะที่ไม่มีการผิดเลย <c oughs> พูดกับอตรัสกับพวกชาวกะละมะบอกว่าถ้าเผือว่า มีคนเนี่ยมาพูดอย่างนี้อย่างนี้แล้วอีกคนหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งซึ่งขัดกันโดยสิ้นเชิงหรือว่าศาสนานการณไหนก็แล้วแต่ความสับสนความไม่สับสนที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเธออยู่ในธรรมะคืออภิญญ า, าธรรมที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยเธอจะมีความสุขสามารถยิ้มได้ก็คือหนึ่งเปคนมีศีลก่อนมีศีลห้าข้อเนี่ยธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคนอื่นเขาจะมากล่าวหาเธอไม่ได้ว่าเอ้ย คุณเป็นคนฆ่ า, าศาสตร์คุณเป็นคนรักครับย์อะไรต่างเหล่านี้เธอจะเป็นผู้ที่ไม่มีความร้อนใจด้วยเหตุนี้ประการที่หนึ่ง oh. พอไม่ร้อนใจอย่างนี้แล้วเนี่ย oh. ก็ให้ตั้งจิแตแผ่เมตตาไปอย่างสรรพสัตว์ทั้งหลาย oh. นะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าเราเป็นผู้มีสีมีความไม่ร้อนใจแล้วเข้าสู่บริษัทไหนโดยไม่ขั่นครามเนี่ยแล้วก็มีเมตตากรุณาโมทิตาอุเบกขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าใครก็จะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่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 เพราะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ร้อนใจเพราะว่าเราไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรสองเราเป็นคนที่แผ่เมตตายอยู่ตลอดเวลาเมตตาการนำเมตตาอเุเบกขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีแต่ความสุขอยู่ในใจตลอดโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรมาช่วยค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็พระุธเจาบอกว่าคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยจะประกอบด้วย <c oughs> จะประกอบด้วยความเบาใจสี่อย่างในปัจจุบัน <Okay. S 1> คือหนึ่งเนี่ยถ้าเผ่อว่า <c oughs>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 โดยการแผ่เมตตาโดยการเอาจิตเนี่ยตั้งไว้ในศีลก่อนแล้วก็เจริญเมตตาทั้งสี่อย่างอย่างนี้เ ป, ป็นอภารอากาศธรรมแปลว่าทําที่ทําที่ไม่ผิดทําที่ไม่ผิดเพระว่าใครจะสอนอะไรยังไงเนี่ยเขาสอนให้เราเอไปเอาผ้าขาวกลุ่มตัวสอนไปแช่ในน้ําถามว่าจิตของเธอจะยังสบายอยู่ไหมเ อ, อาเขาสบายสิเพราะแผ่เมตตาอยู่เออไม่มีทางผิดเลยเงียบไหมถ้าเขาสอนให้ไป ฆ่าสัตว์เอาเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ตามเพราะเราก็สบายใจอยู่เพราะเราแผ่เมตตาด้วยก็เป็นธรรมที่ไม่มีทางผิดเลยใช่ไหมอาจารย์เขาเท่ากับว่าเเมื่อมีศีลห้าแล้วเนี่ยในการรักษาศีลห้าขอให้มีการแผ่เมตตาประกอบอยู่ด้วยตลอดอย่างนั้นใช่ไหมคะคือเป็นการควบคู่กันใช่ศีลห้าบวกกับพรมีหันศีลอาจารย์คขาทีนี้การแผ่เมตตาเรามักจะคุ้นเคยกับบทแผ่เมตตาสัพเพสัตตา เวลาอัพยาปัชาอะไรเนี่ยนะค ะ, ะแผ่เมตตาเช่นนี้กับแผ่เมตตาเมตตากรุณ า, า, าุมตตาเบกขาตามนาทามพรหมวิหารนั้นเป็นเรื่องเดียวกันไหมคะโดยบทเพียรชนะที่พระเจ้าสอนให้การแผ่เมตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอจิตของเราเนี่ยลอมาคิดดูนะพิจารณาตัวของเราดูเอ๊เราเป็นคนมีศีลเมื่อคนมีศีลเนี่ยให้มาพิจรารณารู้ตัวเองเลยว่าเอ๊ศีลเนี่ย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 ทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งโฟูงที่มีอยู่ใช่แค่นี้เองนะพอเราตั้งจิตอยู่ด้วยความเมตตาเนี่ยมีจิตที่เลื่อมถึงบุญกุศลคือศีลของเราเนี่ยนะที่ทํามาแล้วเนี่ยแล้วเราก็ทําจิตให้อยู่ด้วยความเมตตาไม่มีเวรไม่มีพยาบาปแต่ไปอะไรทั่วทุกทิศทุกทางเสมอหน้ากันด้วยบทปรยชนะอย่างนี้แค่นี้เองกรุณาก็เหมือนกันมุทิตาก็เหมือนกันอุเบงขาก็เหมือนกัน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 แ้ำบอกก็ได้เท่านี้งั้นฉันก็อุเบกขาไว้วางเฉยใช่เป็นคนวางใฉยเอาไวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้ท่านอาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นในกรณีที่ต้องถามละเอียดอย่างนี้เพราะบางท่านอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้มาก่อนหรืออาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยด้วยซ้ำมันะคะใช่ท่านท่ น, ทนเจ้าคุณระแบบียบอ่าที่วัดบวอรท่านได้เปรียบเทียบอพระมิหารศรีไว้อย่างนี้ว่าเมตตาเนี่ยเหมือนกับห้องรับแขก ยัเป็นห้องแรกที่บุคคลจะมาเยี่ยมเยียนเราเนี่ยก็มีเราก็มีความเมตตาอยู่ไปเรื่อยๆกรุณาเนี่ยเป็นห้องน้ําถ้าคุณมีความทุกข์คุณไปปลดมุทิตาเนี่ยเป็นเหมือนกับห้องอาหารที่คอยอมีความแสดงความยินดีอะไรกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็อุเบกขานี่เป็นห้องนอนมุทิตาเนี่ยเป็นเหมือนกับเลี้ยงฉลองไงยินดีกับที่เขามีความสุขอยู่อุเบกขานี่เป็นห้องนอน แล้ไม่ต้องสนใจอะไรก็วางเฉยซะหลับไปเลยอย่างนี้จ้ะอันนี้อ่าเปรียบเทียบเอาไว้อย่างนี้กับกลับบ้านใช่ใช่กับสถานที่ถ้าใจเปรียบนะคะเมตตาความสุขให้เปรียบกับห้องรับแขกเพราะว่าห้องรับแขกนี่เจ้าภาพนี่จต้องตั้งหน้าตั้งตาทาให้คนที่มาเนี่ยมีแต่ความสุขความสุขคสบายค่ะส่วนกรุณาปรารถนาให้พ้นทุกเปรียบเหมือนห้องน้ำใช่บางคนเขาเรียกว่าห้องปลดทุก S <S <S ห้องสุขขาเนี่ยเขาบอกว่านั่นแหละเป็นที่มาแล้วมีความสุขเพราะเอาทุกมาใส่เอามาทิ้งไหมคะมแล้วก็มุทิตาพลอยยินดีเปรียบไว้กับห้องอาหารอุเบกขาวางเฉยห้องนอนอันนี้เป็นพระปรามเมตของประเทศดิโลกประเทศดิโลกนะคะเจา้าคนระแบบแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมา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 ที่ถ้าอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้จะทำให้เบาใจสีอย่างในปัจจุบันมไม่ต้องกังวลว่าชาตินี้ชาติหน้าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันมันดีซะแล้วใช่ไหมคะใช่มีความสุขแน่นอนมีเรา ก, ก็มีความสุขอเข้าท่าดีนี่ก็เป็นความหลงของเทศกาลปีใหม่นะคะที่รายการเราก็เอามาพูดคุยมีอีกเรื่องนึงคะ่ะท่านอาจารย์คะไปเห็น การรวบรวมสถิติที่สุดที่สุดเนี่ยมันก็มีการรวบรวมสถิติที่สุดของเรื่องวาทะแห่งความร้าวฉานของปี2 5งพันิฉันไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าไม่ได้มีเจตนาจะหยิบยกมาเพื่อว่าใครแต่ว่าสําหรับหลักการหัวข้อที่บอกว่าวาทะแห่งความร้าวฉานถ้าหากว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งคือเราเก็บเอาไว้ในใจแหมนึกมัธยีไรโกรธมันทุกทีนึกมัธยีไรโกรธมันทุกทีอันนี้เอามาเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วนะคะ ในแนวทางของพุทธศาสนาพระเจ้าให้เป็นผู้ที่เว้นขาดจากการพูดยุโยงให้แตกกันก็คือว่าเป็นผู้ที่ยินดีในการพร้อมเปรี่ยงพอใจในความพร้อมเปรียงกล่าวแต่ว่าจ่าที่ทำให้เกิดการพร้อมเปรี่ยงกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะยกวาจาที่ก่อให้เกิดความพร้อมเปรียงกันแห่งปีเนี่ยนั่นมันจะดีมากเนี่ยนะเพราะว่า เป็นการสนับสนุนให้คนที่แตกกันเนี่ยสามาัคคีกันนะเป็นความพอใจในความสามาัคคีความเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยนี่จะเป็นตามหลักแนวพุทธวจนะคือที่ต้องกลับเรียนถามท่านเนี่ยเพราะมีความเชื่อว่ามีคนจานวนมากทีเดียวนะคะที่มันติดใจในคําพูดของคนอื่นเน่ย mm hmm. ติดใจแล้วมันโกรธไม่หาย mm hmm. ทีนี้เคยเรียนหนังสือตอนนั้นอยู่ธรรมศาสตร์เขามีหนังสืออ่านประกอบนะคะ <c oughs> อ่าเป็น เรื่องที่เขียนโดยคุณอาจินปัญจพันเจ้าของนวนิยายชุดเหมืองแร่เนี่ยก็เล่าให้ฟังทานองที่ว่ า, านั่งจมอยู่กับความทุกข์นะคะมีคนคนหนึงเนี่ยนั่งจมอยู่กับความทุกข์เมื่อมีคนไปถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ก็บอกว่าแม้หยิบเอาจดหมายที่มันอ่านแล้วมีความทุกข์ทุกครั้งมาอ่านทีไรเนี่ยมันเสียใจกินเหล้าเมาหมายใช่ไหมคะก็เลยได้รับการไข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 เพราะฉะนั้นถ้าเราลักอดีตได้วางอดีตได้เนี่ยมันจะสบายผิดเราละอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเราก็กล่าวทำความดีสิกล่าววาจาที่ทําให้เกิดความร้อนเปลี่ยนกันประเด็นก็คือว่าเอาเราจะวางอดีตยังไงอ่ะโอ้โหมันยึดแน่นมากเลยในใจเราเนี่ยมัน ท, ทันทีไรเจ็บแป๊บแป๊บที่ใจทุกทีเลยค่ะ<ฆ>ใช่ไหแล้ววางอดีตได้เนี่ยต้องนั่งสมาธิภาวนาอือโอ้บาต้องมีสติในลมหายใจในปัจจุบันละอดีตไม่เป็นลายเราวางเอาไวา้ถามว่า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 สทรอ f m 6มวิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน